ตามความเป็นจริงเราต้องสร้างความรู้ตัวมันสำรวจกายสำรวจจิตของเราเพื่อจะเตือนขึ้นมาเลยทีเดีย้ยอันนี้เป็นการย้ำเป็นการเตืน่นว่าพอเราได้เจริญสติแล้วรู้อยากสร้างความบริกรู้การหายแก่เข้าออกห้องเราแล้วรู้อยากสร้างความรู้ตัวรู้กายรู้จิตของเราแล้วรู้อยากเพื่จะเตือนขึ้นมาจิตของเราสงบดีอยู่หรือไม่จิตของเราคงสั่นหรือว่าจิตของเราเกิดความกังวล หรือว่ายังมีความกังวลในเรื่องต่างๆยกเราก็ต้องพยายามแค่ไขปรับปรุงตัวเราเองอตลอดเวลาหาโอกาสหาเวลามาทำความเข้าใจกับชีวิตของตัว เ, เองผ่านนาทีการงานทางสมมตุติพวกเราก็วางมาแ ล, แล้วทีนี้เราก็มาสำรวจความคิดทึ่เป็นฝ่ายหน้ามาทำใาจิตของเราเกิดอย่างไรส่งไปข้างนอกได้อย่างไร อากาศของความคิดผุดขึ้นมาพงแต่งคิดของเราได้อย่างไรภาระหน้าที่การงานทางสมมติเรายังขาดตกบกพองอะไรยุหรือว่าเรายังลำบากอยู่อันโน้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเราก็ต้องพยายามแก้ไขขณะที่เราตื่นตัวอยู่ปัจจุบันนี้แหละขณะยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละทุกคนก็มีศรัทธากันถึงในโน้มกายเข้ามาในการทำบุญในการให้ทาน ถึงเป็นวัตถุทานพาการทำอยู่บ่อยๆอยู่นึงๆอยู่ตลอดเวลาแต่การทานอารมณ์ทานความคิดทานความยึดมั่นถือมัน่นการแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจกับสมมุติทำความเข้าใจกับบิมุติทำความเข้าใจกับปัตตาอะนัฏตาก็ เ, าเป็นลักษณะอย่างไรการควบคุมจิตบางคนบางท่านเขาควบคุมจิตได้อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ขาดการแยกคิดออกจากความคิดหรือว่าออกจากขันห้าไม่รอบรู้ในความคิดไม่รอบรู้ในอารมณ์ไม่รอบรู้ในของสังขารต้องตัวเราเองบาก็เป็นลักษณะหน้าตายอย่างไรจึงเป็นของละเอียดอย่าพากันพราถอยต้องพากันขยันมันเพียรอยู่ตลอดเวลารู้จักแนวทางแล้วก็เล่นทําความเพียร การเจริญสติการสร้างความบริกรู้ตัวที่ต่อเนึ่งถ้าเรารู้แล้วเราพยายามไปสร้างอยู่คนเดียวเราก็พยายามมันสังเกตรเรามันวิเคราะห์เราเราวิเคราะห์จิตวิเคราะห์ภายในได้เรียบรอ้อยสติปัญญาของเราก็จะออกไปวิเคราะห์สมมุติต่างๆเราไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราเราก็จะมีตั้งแต่ความสงบความสุขอะไรที่จะเป็นอกุศลเราก็ละอะไรเป็นกุศลเราก็เจริญ สรา ง, รงากับประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายใ น, ย น, ไ, นไม่เห็นแก่ตัวละความเสนี่หเนืยวแน่นละความโลภละความโกรธส่วนการคลายความหลงนั้นเราต้องมาเจริญสติเข้าไปแ ย, ยกรูปแยกนามถ้าจิตของเราแ ย, ยกจิตออกจากความคิดได้เขาถึงจะคลายความหลงได้ซึ่งเรียกว่าโมหะโมหะนี้เป็นของลุ่มลึกกว่าจะคลายออกมาได้ก็ต้องมีความเพียร ที่โตเนื่องถ้าไม่มีความเพี่ยนที่โตเนื่อง<ม>ก็อยากที่จะคลายถ้าเรายังสังเกตไม่ทันก็ยากที่เขาจะแยกออกจากกันได้เพราะว่าจิตกับพันธานั้นเขาอยู่ด้วยกันไม่รู้จีบพบจีชาติมาแล้วเราจะมาแยกแค่วันเดียวสองวันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์จนกําลังสติของเรารู้เท่าทันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ก่อตัวซึ้งแต่จิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวม ถ้าเรารู้ท้อทันแนละ้วจิตเขาจะแยกของเขาเองเราไม่จําเป็นต้องไปจับเขาแยกจากรกเขาจะดีตัวออกจากคว า, ค, ความคิดก็จะเห็นเป็นคนละส่วนจิตเขาจะว่างความคิดก็จะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของความคิดจึงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่จิตของเราเขาไปหลงเข้าไปรวม ถ้าเราเห็นชัดเจนอย่างนี้กาลังสติก็จะตามดูตามรู้ตามเห็นจนจิตเกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละว่าไม่มีสาระประโยชน์กนารสัรอร่อยจิตก็จะหาทางลบเีกเองนั่นแหละมันลบเบกไม่ได้ก็จะอยู่อเบกขายทีนี้เราก็มาชาระสะสารกิเลสออกจากจิตของเราชาระสะสารกิเลสดับความเกิดของจิตดับทีนั้นทีนี้ละทีนั้นทีนี้กิเลสต่างๆก็จะเืิดแห้งไปเืิดแห้งไป อะไรคือส่วนจิตอะไรคือส่วนกายกายกับจิตเขาก็อาศัยกันอยู่รูปกับนามก็อาศัยกันอยู่แต่ให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ให้จิตของเราเขาไปยึดมัน่นถือมัน่นกายของเรานี้แหละก่อนรูปกายของเรานี่แหละก่อนทุกแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายซึ่งมีจิตมีวิญญาณเขามาครอบครองแล้วก็มายึดมาหลง เราก็เป็นหลงเอาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคลายภายในไม่ได้ก็ไปหลงเอกข้างนอกด้วยถ้าคลายภายในได้ข้างนอกก็วางได้โดยปริยายทีนี้เราก็มาละกิเลสจนกว่ามันจะเงิดแท่งไปหมดก็พากันขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนจะยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราพยายามโน้มสมเนียจ แม้แต่งแต่เวลานั่งป่งวงเราก็น้อมสำเนียกแล้วลึกรู้ความปกติแล้วลึกรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติที่สุดเราไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็เพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณเราไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็เพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณยิ่งการฝึกหัดปฏิบัติใหม่หมกิเลสมานหรือว่าการธรรมานาต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆเขาก็จะหา โอกาสหาเรื่องหาเรามาฉุดมารังเอาไว้แล้วก็เรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องภาระหน้าที่การงานบ้างสารพัดเรื่องที่จะมาฉุดมารังมาปกปิดดวงจิตของพวกเราเอ า, เอาไว้แม้แต่จิตของตัวเราเองยังหลอกจิตของตัวเราเองเลยเราต้องพยายามหัดแก้ไขหัดสำรวจหัดสํารวมกายอินทรีย์ของตัวเองตลอดเวลา จะให้มันได้เลยไม่ได้ออกค่อยเปลค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยความพยายามมันเปลี่ยนห้องเรามีไหมความเจ็ดคลานห้องเรามีไหมเราละความเจ็ดคลานได้ไหมเราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนระดับตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่ตัวจิตระดับกายระดับวาจาเราก็รู้มันวิเคราะห์ถ้าเราไม่วิเคราะห์ตัวเราเองแล้วนี่ก็ยากอยู่เหมือนกันหลงพ่อก็แข่งแกร่งเราให้ฟังเท่านั้นเองนั่นแหละ แต่พวกท่านไม่ไปสังเกตไปวิเคราะห์ไปดับไปละก็อยากที่จะเข้าใจถ้าเรามั่นสังเกตหมันวิเคราะห์ถ้ารู้แล้วจะมีตั้งแต่ความสนุกสนุกในการดูจิตในการรู้จิตในกา ร, ร, การทําความเข้าใจอย่าเราจะพั้งเผือให้จิเลสตัวไห น, นจิเลสตัวไหนมันจะมาหลอกเราถ้าเราพังเผือแล้วที่ของเราเข้าไปร่วมแล้วเริ่มใหม่เอาใหม่เกิดความน้อยโอกน้อยใจแก้ไขตัวเองใหม่ จนกว่ามันจะชนะจนกว่ามันจะเห่าแท่งไปยิ่งมีความเปลี่ยนเป็นเทวีขุดท่านกลางวันท่านกลางคืนไม่เกียจค้านมันสร้างอา น, นิสงส์สร้างกระบะบารมีให้กับตัวเราเองทุกคนก็มีสัจจะทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ให้เป็นเชื่อมั่นด้วยสติด้วยปัญญาให้ขยันหมั่นเพียรสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทาง ไม่ถึงช้าก็ถึงเร็วแต่ไปที่เรายังสเสวเองหายอยู่เราแสวงหาทำเราย่อมจะรู้ธรรมเราแสวงหาโลกเราก็ย่อมจะเห็นโลกทำกับโลกก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละให้เราทําความพอใจทั้งสองอย่างถึงเวลาหมดลมหายใจนั่นแหละเขาทึงจะพราฟากจากกันคนเราเนี่ยเขอยู่เนื่องโดยลมลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นส่วนประกอบของชีวิตถ้าลมหายใจเข้าไม่ออกตาย หายใจออกไม่เข้าก็ตายเราขาดการที่จะหนาดูลมบุคคนที่มีปัญญาก็จะมีลึกรู้ลมหายใจเขาออกแล้วลึกถึงความตายและลึกนึกถึงคุณงามความดีมันสร้างกุศลมันสร้างคุณงามความดีตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องให้คนอื่นเขาบังคับเราบังคับตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองถ้ให้คนอื่นเขาบังคับบังคับเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงจุดหมายปาทางโลก ทุกคนไม่อยากแค่ให้คนอื่นเขาบังคับมีตั้งแต่คนจิเลศหนาเท่านั้นแหละชอบให้คนอื่นเขาบังคับชอบให้คนอื่นเขาผ่าทับคนจิเลตเบาบางคนจิเลศน้อยเพียงแค่มองดูก็รู้ว่าทําอย่างไรไปอย่างไรมายัางไงบุคคลเช่นนี้แหละจะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวอยู่คนเดียวก็แก้ไขปัญหาตัวเองได้อยู่หลายคนก็แก้ไขปัญหาตัวเองได้เพราะว่ารู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจรารณา ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดจากภายในหรือเกิดจากภายนอกมันก็รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองแก้ไขได้ไม่ได้เขาพยายามแก้ไขแก้ไขไม่ได้จริงๆก็าวางเสียอุเบกขามันจะนุกสร้างบุญสร้างกุศลทํากายของเราให้เป็นบุญเสีย้ยทําวาจาของเราให้เป็นบุญเสีย้ยทําใจของเราให้เป็นบุญเสีย้ยเราก็จะอยู่กับบุตรยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราก็จะอยู่กับบุตตัวใจของเราแล้วแหะคือตัวบุตร ให้เรารู้จักตัวใจของเราความว่างความสงบความสะอาดความบริสุทธิ์นั่นแหละตัวบุญบางทีก็เกิดปิติเกิดสุขถ้าเรามีสติรู้รู้เห็นจิตของเราชัดแจ้งชัดเจนขึ้นมาเขาจะฉายแววมาปรากฏให้เห็นเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความว่างว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นหือมั่นมีตั้งแต่ความสงบความสุขอยู่ภายในใจข้างนอกเราก็พอใจในการทำของเรา ทำเพื่ อ, อยังให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อก็พาทำอยู่ทุกวันทุกวันทั้ง่ายนอกทั้งภายใน